ข้อความในมิเินทปัญหาเมนตะกะปัญหาคติการะปัญหาเนี่ยหน้า407พระเจ้ามิเินทได้กราบเรียนถามพระนาคเสนว่าพระคุณเจ้านาคเกษนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาเสร็จความข้อนี้ไว้ว่าคติการะสะกุมภะการกะสะอเวสนังสพังเตมาสังอากาสัจฉะนัง อัฏฐาศิสณนะเดวติวสิแปลว่าที่อยู่ของช่างม้อชื่อว่าคติการะมีอากาศเป็นหลังคาตั้งอยู่ตลอด3มเดือนฝนไม่ร่วรดคือหลังจากที่รื้อหญ้ายญ้ามุงหลังคาไปเนี่ยนะฝนก็ไม่ร่วรดสเดือนนี่ข้อความอยู่ที่หนึ่งในคติการสูตร ส่วนอีกที่หนึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ว่ากัสปะสะตถาคตัสสะกุติโอวสิแปลว่าพระคันทกุตีของพระตถ า, าคตกัสปะพุทธเจ้าฝนรั่วเออคติการะฝนไม่รั่วเพราะของพระพุทธเจ้าด้านฝนรั่วมันยังไงกันพระคุณเจ้าหน้าเกษเพราะเหตุไรเนอพระคันทกุตีของพระตถ า, าคตผู้ทรงมีกุศ ล, ลมูลหนาแน่นอย่างนี้ฝนจึงได้รั่วเล่า ขึ้นเชื่อว่าพระอนุภาพของพระตถาคตนั้นยิ่งใหญ่ใครๆก็ปรารถนาอำนาจขนาดนั้นฝนยังตกรั่วกุติเลยงั้นพระคุณเจ้านาเกษตถ้ า, าหากว่าที่อยู่ของช่างโม่ชื่อว่าคติการะมีอากาศเป็นหลังคาหาฝนรั่วรถม่ได้สามเดือนเนี่ยนะถ้าจริงแล้วสายท่าอย่างนั้นคำที่ว่าพระคันธกุติของพระตถาคตฝนรั่วดังนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้อง คือขนาดคนระดับล่างคติการะเนี่ยนะฝนยังไม่รั่วเลยแล้วกุฏิพระพุทธเจ้ามันจะรั่วได้ยังไงมันฟังแล้วมันฟังไม่ขึ้นนะถ้าหากว่าพระขันตกุฏิของพระตถาคตฝนรั่วจริงแล้วซ้ายถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าที่อยู่ของช่างหม้อชื่อว่าคติการะมีอากาศเป็นหลังคาหาฝนรั่วลดไม่ได้ดังนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้องนะ <c oughs> ถ้ากุฏิของพระพุทธเจ้ายังรั่วแล้วก็กะอะไรกับกุฏิของ คติการะใช่ไหมปัญหาแม้ข้อนี้ก็มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดออคือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของคติการะช่างหม้อเนี่ยนะในคติการะสูตรได้กล่าวไว้ว่าในการที่พระกสปะพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยนะคือในกลับนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นห้าพระองค์นะก็ เ, เลยเรียกว่าพัทธกัป ในพัฒกรับนี่ยองที่หนึ่งผู้ที่มาตรัสรูคือพระกักุสันถาพุทธเจ้าวันเวลาผ่านไปหนึ่งพุทธันดร อ, องค์ที่สองก็เกิดขึ้นพระโกนาคมณะพุทธเจ้านะจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ถัดนะถอยหลังจากองค์นี้ไปหนึ่งองค์เรียกว่าพระกัสปะพุทธเจ้ า, าพระพุทธเจ้าทนามว่ากัสปะก็เกิดขึ้นในโลกพระองค์นี้ประกาศพระาศาสนาอยู่ ก็คือประกาศอธิศีนอธิจิตอ ธ, อ ธ, อธิปัญญาที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เจริญอริยมรรคนั่นแหละทีนี้คราวหนึ่งพระคันธกุตีของพระองค์มีฝนรั่วรถเข้าไปข้างในได้พระองค์ก็รับสั่งให้พิสูจนทั้งหลายไปยังบ้านของนายคติการะช่างหม้อผู้เป็นอุบาสกผู้เป็นอุปถัมภ์ที่ยอดเยี่ยมพระองค์นี้สั่งให้นําเอาญ้ามาซ่อมหลังคาพระคันธกุตีไม่ต้องขอไปเรือเอามาเลยอนะหรือเอามามังพามงพระคันธกุตี พิกษุเหล่านั้นไปแล้วก็นะกลับมากราบทูลว่าไม่มีหญ้าที่บ้านของนายคติการะคือไปดูแล้วไม่เห็นมีหญ้าเลยสักกองหนึ่งว่างั้นจะเอามามงได้ยังไพงพวกก็รับสั่งให้ไปรื้อหลังคาบ้านของนายคติการะนำเอาย่าที่ใช้มงหลังคานั่นแหละมาพิกษุเหล่านั้นก็ไปยังบ้านของนายช่างปั้นมอออีกครั้งหนึ่งเพื่อทาอย่างนั้น ขณะที่กำลังรื้ออยู่นั่นแหละพ่อแม่ตาบอดก็บอกเอ๊ะใครมารื้อหลังคาของกั น, น, นพี่สุก็บอกว่าเราน้องหญิงพรงั้นอา้าวที่รื้อหลังคาบอกว่ากุฏิของพระพุทธเจ้ารั่วเน่ก็เลยมารื้อเอาไปมุงหลังคาบรนพ่อแม่ของคติการะช่างหม้อสองคนนั้นทราบก็ดีใจนะเต็มไปด้วยความดีใจดีใจเจ็ดวันติดกันนะใครจะปลื้มขนาดนั้นได้นะ ปกติหายากนะคนดีใจ7วันติดติๆกันเนี่ยไม่มีระงับเลยดีปลื้มตติดเจวันติดกันฝ่ายคติการะกลับมาบ้านนะมาม า, มาถึงหลังคารั่วก็เลยถามพ่อแม่พ่อแม่ก็บอกตามเป็นจริงว่าเนี่ยพระภิกษุ ม, มาเรือเอาไปมุงหลังคาพระพุทธเจ้า คติการะก็เกิดปีติโสมนัตมีประมาณอย่างยิ่งกล่าวว่าเป็นลาบของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอข้อที่พระกัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้คุ้นเคยกับเราอย่างยิ่งอย่างนี้อันนี้ปีติ15วันเนนะคติการะช่างมอเนี่ยปีติติดกันเลย15้าวันไม่มีระหว่างเลยนะ กุศลจิตของนายคติการะช่างม่อเนี่ยเป็นเหตุให้ที่อยู่อาศัยของตนทั้งดั้งที่มีหลังคาโล่งปราศจากหลังคาฝนที่ตกลงมาก็ไม่รั่วรถเข้าไปภายในตลอดสามเดือนในหน้าฝน น, นผลแห่งปีติผลแห่งบุญที่ปรารบพระพุทธคุณเนี่ยนะแล้วก็อันนั้นก็เป็นปัจจัยเนี่ยนะตอนหลังพระพุทธเจ้าก็เล่าให้ พระเจ้ากาสีเนี่ยนะพระเจ้ากิงกิเนี่ยฟังพระองค์พอฟังเรื่องนั้นแล้วก็อนุโมทนาอย่างยิ่งพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่นายคติการะช่างหม้อมากมายทีนี้แง่ปมของปัญหาที่พระเจ้ามิลินเอามาตั้งเป็นปัญหากลับเรียนถามพระนาคเษนมีอยู่ว่าขึ้นชื่อว่าอนุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอ่ะยิ่งใหญ่หาอนุภาพของผู้อื่นเท อ, อ่ะเทียบเสมอไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็หากว่าพระองค์ทรงใช้อนุภาพเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ย่อมป้องกันฝนไม่ให้รั่วรถพระขันทกุฏีได้แล้วเพราะเหตุไรจึงไม่ทรงกระทําอย่างนั้นพระองค์ก็มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมากมากก็แค่ฝนรั่วนิดหน่อยเนี่ยนะจํานวนว่าเป่าลมไปครั้งเดียวก็เรียบร้อยแล้ ว, วไมไมอย่างนั้นคะแต่ทําไมไม่ทําอย่างนั้นคือคือมันฟังแล้วมันน่าอาัศจรรย์ว่าพระองค์มีฤทธิ์ขนาดนั้นฝนรั่วกุฏิพระองค์ ส่วนนายคติการะช่างหม้อไม่มีริ้ไม่มีอนุภาพเหมือนกับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นฝนก็ไม่สามารถที่จะรั่วรดหลังคาเข้าไปข้างในได้ทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีหลังคาอย่างนั้นเดอรไม่มีหญ้ามามุงบังอะไรเลยแต่ฝนก็ไม่รั่วรดเพราะฉะนั้นมันต้องมีคําหนึ่งถูกคําหนึ่งผิดไปแน่มันมันฟังขัดขัดกันอยู่ว่างอนนเพราะฉะนั้นถ้าคําหนึ่งถูกต้อง ควรเชื่อถือได้ไออีคำหนึ่งก็ต้องไม่ถูกต้องเชื่อถือไม่ได้แสดงว่าเนื้อหาในคติกาละสูตรเนี่ยคำหน้ากับคำหลังฟังแล้วขัดกันเองทีนี้ถ้าหากว่าไม่ใช่พระนักเกษไม่รู้จะตอบว่ายัางไงเหมือนกันซึ่งมันก็พุทธพจน์มีอย่างนั้นทั้งคู่จริ ง, รงๆแหละแล้วก็ประเด็นือซึ่งมันก็น่าตั้งข้อสงสัยเหมือนกันเออทำไมเป็นอย่างนี้ พระนาเกษนก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาเสร็จความข้อนี้ไว้ในคติการสูตรว่าที่อยู่ของช่างหม้อชื่อว่าคติการะมีอากาศเป็นหลังคาตั้งอยู่ตลอดสมเดือนฝนไม่รั่วรถดังนี้จริงพุทธพจน์นี้มีจริงและอีกที่หนึ่งพระองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่าพระคันตกุตีของพระตถาคตกัสปะพุทธเจ้าฝนรัว่วอย่างนี้พระองค์ก็ตรัสไว้จริง ก็คือจริงทั้งสองอย่างเหตุผลก็บอกว่าขอถวายพระพรช่างหม้อชื่อว่าคติการะเป็นผู้มีศีลปกติแล้วคติการะช่างหม้อมีศีลสิบประการมีศีลสิบประการเช่นกับสัมมาเนนผ่านาคามีถึงเป็นคารวะาก็มีศีลเช่นกับสัมมาเนานเพราะมีกัลยาณธรรมกัลยาณนะแปลว่าดีมีธรรมที่ดีคืออนาคามีผลอยู่ในใจน่ยะ เป็นผู้ที่มีเป็นพระอนาคามีมีกุศลมูลหนาแน่นอโทสะนี่มีกําลังเป็นเยี่ยมเหมือนนนะทานศีลเป็นต้นท่านก็หนาแน่นเพราะนั้นโลภะเบาบาโลภะเบาบางโมหะเบาบางโทสะนี่ไม่มีเลยแปลว่าอโลภะอโทสะอโมหะของท่านหนาแน่นมากชาวนะที่เป็นอกุศลเนี่ยมีน้อยเต็มทีเหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นท่านจะชอบชอบอยู่บ้างก็ติดใจในเรื่องฌานนี่แหละ เรื่องเข้าฌานติดใจ อ, อพนาคามีไอ้นาค า, ม, า, คามีพบก็ไม่เลวนะอ่ะอกันเพราะันกุศลมูลท่านหนาแน่นมากทานท่านก็ให้ครึ่งแคลย้ยแคลไ อ, อมอ่อคว่ำอยู่แล้วศีลก็นนาแน่นนะภาวนาเป็นต้นท่านก็เจริญเต็มเปี่ยมและวัดปฏิบัติในการเลี้ยงดูมารดาบิดาผู้เป็นผู้แก่ผู้เท่าตาบอดจริงท่านก็อยากบวชนะแต่ว่าบวชแล้วพ่อแม่ตาบอดใครจะเลี้ยงดู ขั้นตอนที่โชติปาละมานพเพื่อนชวนบวชก็บอกว่าเราบวชไม่ได้หรอกเรามีพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูทั้งที่ท่านเป็นพระอนาคามีนะท่านก็เลี้ยงดูได้อาชีพปั้นหม้อภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าใช้ไปเนี่ยนะก็ไม่ได้ขอเขาต่อหน้าเลยไม่ได้ไปบอกไปขออะไรเลยก็รื้อเอาย่ามุงเรือนของเขาไปมงพระคันตะกุตีของพระผู้มีพระภาคเจ้า เพราะการหรือเอาญ่า้นั้นไปช่างม อ, อ ก, ก็ได้รับแต่ความปรับปลื้มมากมายหาที่เสมอเหมือนไม่ได้ถ้าคนธรรมดาทั่วๆไปถ้าไม่ใช่แบบนั้นนะ น, นะคือถ้าเป็นคนอื่นที่ได้ยินปับเครียดเลยเนี่ยพระ อ, องค์ก็ไม่สั่งไปรื่อยแบบนั้นนะนะแต่เนื่องจากว่าพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ของคติการะพอได้ฟังก็ปีติเจวันอันคนะติการะเนี่ยมีปีติสิบห้าวันเพราะฉะนั้น ก็พอได้ฟังก็ปราบปลื้มปีติโสมนัสมากมายอันเป็นความปราบปลื้มใจที่ตั้งมั่นดีเป็นความปราบปลื้มใจที่ไม่สั่นเป็นความปีติที่ไม่หวั่นไหวอันนเป็นกุศลธรรมที่ไม่หวั่นไหวไปด้วยบาปอากุศลไม่มีอกุศลธรรมเข้ามาแทรกในระหว่างผันทั้งได้ทําโสมนัสที่ไม่อาจจะวัดได้ให้บังเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปปีติยิ่งยิ่งขึ้นว่าขึ้นเชื่อว่าโอ๋เนาะขึ้นว่าโอ๋เนอ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สูงสุดในโลกทรงเป็นผู้ที่แสนจะคุ้นเคยกับเราอย่างนี้นะพระองค์นี่คุ้นเคยกับเราในขนาดอัครบุคคลนะคุ้นเคยกับเราดีใจมากวิบากมีในอั ต, ตภาพนี้ก็ได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เขาอันนี้ก็เป็นทิฏฐธรรมะมิหารธรรมนะนะเป็นทิฏฐทิฏฐธรรมะเวชนิยกรรมเป็นกรรมที่สามารถให้ผลได้ในชาตินี้แป๊บเดียวก็ให้ผลแล้ว เพราะเหตุนั้นขอถวายพระพรเป็นความจริงว่าพระตถ า, าคตมิได้ทรงวันไหวเพราะอาการที่ผิดแปลกไปเพียงเท่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้หวันไหวแค่ว่า้กุฏิรั่วรอกพระองค์ไม่ได้วันไหวอะไรหรอกเนี่ยนะแต่เหตุผลที่พระองค์สั่งให้ไปฤกษอันนันก็มีเหตุปัจจัยร้ายประการด้วยกันในอัตถกาถาอธิบายเพิ่มเล็กน้อยว่า ข้อที่ว่าพระตถ า, าคตไม่ทรงวันไหวเพราะอาการที่ผิดแปลกไปเพียงเท่านั้นเนี่ยคือเมื่อมีอาการที่ผิดแปลกไปคือเมื่อเรื่องสร้างความไม่สะดวกสร้างความอยู่ไม่ผาสุกอันได้แก่การที่มีฝนตกรั่วรถพระคันธกุฏเกิดขึ้น น, นะฝนตกรถกุฏิพระพุทธเจ้านะรั่วเข้าไปในห้องอยู่อะพระตถ า, าคตก็ไม่ทรงมีพระไทยวันไหววุ่นวายเที่ยวหาเครื่องมงบงัง โดยที่สุดแม้ต้องรื้อหลังคาบ้านของผู้อื่นเพื่อประโยชน์แก่พระองค์เองหมายความว่าจิตใจของพระองค์จริงๆแล้วไม่ได้วันไวหมายความว่าฝนรั่วกับฝนไม่รั่วเนี่ยนะจิตใจของพระองค์ก็ปกติเช่นเดิมนั่นแหละแต่ที่พระองค์ทมอย่างนั้นก็มีเหตุหลายประการด้วยกันเนี่ยนะซึ่งอธิบายว่าที่พระองค์ทำอย่างนั้นเนี่ยนะให้เป็นไปอย่างนั้นก็เพื่อจะอนุเคราะห์ ชนหมู่ใหญ่นั่นเองนะคือคือเป็นการวางรากฐานเพื่อสร้างอีกหลายเรื่องเนี่ยนะจาอาศัยเหตุการณ์การหรื อ, อหลังคาของคคนะติการะบ้านช่างหม้อเนี่ยนะอธิบายว่าอธิบายเพิ่มเติมประเด็นที่ว่าพระองค์ไม่ได้มีจิตวันไหวในประเด็นที่ว่ากุฏิรั่วไรรอกเนี่ยนะว่าขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่า พญาเขาสิน e r เนี่ยนะปกติก็สูง 84,000 ยอดลึกไปในทะเล 84,000 ยอดเนี่ยนะย่อมไม่สัน่นไม่หวั่นไหวแม้เพราะถูกลมตีตั้งหลายแสนครั้งฉันใดมหาสมุทรซึ่งเป็นทะเลประเสริฐยอดเยี่ยมก็ย่อมไม่เต็มเปี่ยม ไม่ถึงความเปลี่ยนแปลงไปแม้เพราะน้ําหลาหมื่นหลายแสนสายมาจากมหาคงคาหมายค่ะว่าทะเลน้ําจะไหลลงทะเลขนาดไหนทะเลก็ไม่เนว่าล้นเออขึ้นมาอะไรหรอกขอถวายพระพรพระตถาคตก็ไม่ทรงหวั่นไหวเพราะอาการที่ผิดแปลกไปเพียงเท่านั้นฉะนั้นเหมือนกันแต่ข้อนั้นนะขอถวายพระพรข้อที่พระคันทกุตี ของพระตถ า, าคตฝนรั่วได้นั้นใดข้อนั้นยอมอนะทรงยอมให้เป็นไปอันนี้เป็นความยินยอมของพระพุทธเจ้า ว, ว่าเออให้ฝนมันรั่วเถอะทําไมเพื่อจะอนุเคราะห์แก่ชนหมู่ใหญ่อธิบายว่าคือพระองค์เนี่ยถึงจะทรงใช้อานุภาพป้องกันฝนก็ย่อมกระทําได้แน่แท้แต่ก็ไม่ทําอย่างนั้นเพราะทรงประสงค์จะอนุเคราะห์ชนหมู่ใหญ่ งูใหญ่คือใครบ้างคือนายคติการะผู้เป็นพระนาคามีเนี่ยนะมารดาบิดาของคติการะช่างหม้อโดยอาการที่คนเหล่านั้นจะได้รับพระราชทานจากพระราชาและมีฝน น, นะมีเรือนที่ฝนไม่รั่วรถแล้วก็เป็นปัจจัยที่สําคัญพระองค์มาจําพรรษาณบริเวณใกล้ๆวัดใกล้ๆบ้านของคติการะช่างหม้อ ก็ถือว่าอาศัยเหตุปัจจัยเลยล่ะอย่างในการโปรดสงเคราะห์เวนยสัต์ของพระผู้มีพระภาคกัสริยพุทธเจ้าเพราะว่าในก่อนหน้านั้นเนี่ยพระเจ้ากิงกิได้นิมนต์พระพุทธเจ้า ว, ว่าขอพระองค์ได้โปรดจำพรรษาณเมืองพรารณสีเถอะพระองค์ก็บอกว่าเรารับกินิมนต์จำพรรษาแล้วมีใครที่ยิ่งใหญ่กว่าข้าพระองค์ว่าคือเขาก็ถืออำ น, นาจพระราชาใช่ไหมมีใครที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่านี้อีกหรือที่เรียกว่า พระ อ, องค์ต้องไปอ่ ะ, อะก็บอกว่าเนี่ยคติการะช่างหม้อคติการะช่างหม้อดีอยังไงก็เล่าให้ฟังเนี่ยเช่นว่าติคติการะช่างหม้อเนี่ยถึงให้รื้อหลังคาคุหลังคาบ้านไปก็ยังปีติสิบห้าวันเนี่ยพ่อแม่ปีติเจ็ดวันอีกครั้งหนึ่งพระ อ, องค์ขึ้นไปบนบ้านแล้วก็ไปฉันไปถึงก็เปิดหม้อฉันเลยฉันเสร็จพระ อ, องค์ก็กลับไปอตอนที่กําลังฉันอยู่เนี่ยอบอกใครทานอาหาร ก็บอกว่าเราน้องหญิงะนะเพราะพระผู้ก็พระพุทธเจ้านั่นแหละก็บอกพ่อแม่คติการะชัางหม้อบอกว่านี่เรานั่งฉันข้าวเสร็จฉันเสร็จก็ไปละเสร็จแล้วคติการะช่างหม้อมาถึงบอกพ่อแม่เนี่ยใครทานอาหารบอกพระพุทธเจ้ามาฉันก็ปีติอีก15วันเนี่ยนะพ่อแม่ปีติอยู่7วันก็บอกว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยคุ้นเคยกับคติการะช่างหม้อขนาดนี้เสร็จแล้วพระเจ้ากิงเกีก็เลยพระราชทานอย่างอื่นให้คติการะช่างหม้อเยอะคติการะช่างหม้อไม่รับเลย ก็เหมือนถือว่ามีความรู้สึกว่าได้มาโดยการขับกลบเนี่ยนะโดยเรียกว่าโดยเพราะว่าพระพุทธเจ้าไปเหมือนกับไปมีพระพุทธเจ้าไปโคษนาให้เนี่ยนะก็เลยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ได้มาโดยลำพังส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รับอะไรใช่แล้วก็พระองค์ก็ตรัสถึงประเด็นเหล่านี้แล้วพระองค์ก็ไปจำพรรษา วัดใกล้บ้านกับคติการะช่างหม้อ น, นั่นแหละนะผู้มีศรัทธาเพราะนั้นแล้วก็พระเจ้ากิงกีก็เห็นด้วยนะเออนี่มโนไปเถอะผู้มีศรัทธาขนาดนี้นะก็เรียกว่ายอมแพ้เลยรแบงั้นอันนี้ที่พระองค์ทํำก็เพื่ออนุเคราะห์ชนหมูใหญ่แต่ว่าเหตุการณ์อีกหลายๆอย่างเกี่ยวกับพุทธวิสัยคือการกระทําของพระพุทธเจ้าห ล, ล, ลายอย่างเนี่ยซึ่งเราเองก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้อย่างทะลุโปร่งอะนะแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้มีอยู่จริง แต่ที่พระองค์ทําอย่างนั้นทั้งหมดก็เพื่ออนุเคราะห์ด้วยใจกรุณาประสงค์ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์นั่นเองขอถวายพระพรพระตถาคตทั้งหลายเมื่อทรงเล็งเห็นอํานาจประโยชน์สองอย่างเหล่านี้อยู่จึงไม่ทรงเสพปัจจัยที่เนรมิตขึ้นเองพระพุทธเจ้าจะไม่ใช้ปัจจัยสี่ที่เสกขึ้นเองเหมือนกันเถิดพระองค์จะไม่เสกผ้ามานุ่งห่มเองจะไม่เสกอาหารเพื่อรับฉันเองจะไม่เนรมิตสร้างหรือที่เรียกว่าเสก ที่อยู่อาศัยขึ้นมาเองเป็นต้นพระองค์จะไม่ทําจะไม่เนรมิตปัจจัยสี่ขึ้นมาเอ ง, ท, งทั้งทั้งที่ทําได้แต่ก็ไม่ทําเหตุผลสองประการสองประการก็คือหนึ่งพระองค์เล็งเห็นว่าพวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านผู้นี้แหละเป็นอัครทัตขินยะบุคคลของโลกจึงถวายปัจจัยแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็จักหลุดพ้นจากทุคติทั้งปวงได้ ัการที่เขาเนี่ยนะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยปัจจัยทั้งหลายอนนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุกแก่พวกเขานั่นจะเป็นไปเพื่อพ้นจากอบายทุขติวินิบาทนรกกสำหรับพวกเขาเพราะอะไรเพราะว่าทา น, นกุศลหรือว่าบูชาเนี่ยโดยเฉพาะปัจจัยสี่เป็นพุทธบูชากุศลอันนั้นก็เป็นมีผลหาประมาณไม่ได้ น, นะ อันนี้ก็บุญกุศลเหล่านั้นก็จะได้สําเร็จแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเกิดพระองค์เนี่ยเนรมิตเหมือนกับพระราชวังอยู่แล้วใครจะกล้าเอาอะไรไปถวายพระองค์ใช่ไหมแต่สมมติถ้าพระองค์เนี่ยเนรมิตแบบยิ่งใหญ่ปราสาทราชวังตึกไม่รู้กี่ร้อยชั้นเนี่ยนะวิจิตรอลังการเต็มไปหมดแล้วใครจะเอาอะไรจะเอาญ่าเอาที่อยู่ ท, ยที่มุงบงังธรรมดาไปถวายก็การะไรอยู่ยนะเพราะฉะนั้นคนทั่วไปก็ไม่มีโอกาสได้ทําบุญเลยแต่ว่าพระองค์ไม่ทําอย่างนั้นก็เพราะว่าเปิดโอกาสให้ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้เจริญกุศลกันได้ให้ทานนะได้ให้ทานเป็นพุทธบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เหตุผลที่หนงเหตุผลที่สองคนอื่นอย่าได้ติเตียนว่าผู้นี้เอาแต่แสดงปาฏิหาริย์แสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพนะคนดูถูกเลยนะท่านมวตทำอะไรทุกอย่างนะเนเนรมิตขึ้นเองอยู่แบบเทวดาชั้นนิมมานารดีเนี่ยนะอคระวันเนรมิตขึ้นเองเลย เสกขึ้นเองหมดอะไรขึ้นมาเองหมดเนี่ยไม่ใช่คนชมนะเหตุทําไมจึงคนไม่ชมเดี๋ยวค่อยกล่าวว่าพระตถาคตเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อเล็งเห็นอํานาจประโยชน์สองอย่างคือหนึ่งเทวดาและมนุษย์จะได้บุญสองคนจะได้ไม่ติเตียนเนี่ยนะจึงไม่เสพปัจจัย ท, ที่ทรงเนรมิตขึ้นเองขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งหากว่าท่านเท้าส ก, กะหรือท่านเท้ามหาพรหมหรือพระองค์เองพึงเนรมิตพระคันทกุตีนั้นนะ่ะ ไม่ให้ฝนรั่วไสการกระทาอันนั้นก็พึงเป็นเรื่องที่น่าตาหนิไม่ให้คนชมขึ้นนะตาหนิเลยเป็นเรื่องที่มีโทษโทษต่อผู้โทษดอไหนโทษต่อเทวดาและมนุษย์ตั้งหลายเพราะมีผู้ที่เขาคอยเพ้งโทษอยู่มีข้อที่นักปราดอื่นจะพึงข่มเอาได้ว่าพระพุทธเจ้าเหล่านี้เนี่ยนะทำแต่สิ่งที่น่าแปลกทแต่สิ่งแปลกสร้างแต่สิ่งที่น่าพิศวงทาให้ชาวโลกงมงาย เพราะฉะนั้นการกระทํานั้นจึงจัดว่าน่าตําหนิเพราะมัวแต่เนรมิตมัวแต่เสกมัวแต่บันดาลมัวแต่กระว่าทำอย่างที่ตัวเองต้องการไปหมดเลยเนี่ยนะก็ตําหนิขอถวายพระพรท้าตัศนคตเจ้าทั้งหลายจะไม่ตรัสขอสิ่งของพระองค์ไม่ได้ไปขอนะนะเพราะการที่ไม่ตรัตขอสิ่งของนั้นจึงเป็นผู้ที่ใครๆไม่อาจากล่าวติเตียนได้คือโดยประเด็นใดก็ไม่มีใครตําหนิพระพุทธเจ้าได้ พระเจ้ามิลินก็ยอมรับว่าดีจริงพระคุณเจ้าครัพระเจ้าขอยอมรับคําตามที่ท่านกล่าวมานี้อธิบายเพิ่มเติมบอกว่าถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเนรมิตตัดใจสี่ขึ้นเองนะเน่ยเครื่องนุ่งห่มก็เนรมิตผ้า ท, ทิพย์เอามาใช้อาหารก็เนรมิตอาหารทิพย์มาฉันที่อยู่อาศัยก็เนรมิตปราสาทราชวังทิพย์มาใช้สรอยสร้างแต่สิ่งแปลกๆมหัศจรรย์แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยนะ ชาวโลกก็ถึงความหลงงมงายชาวโลกไม่ได้ฉลาดอะไรขึ้นเลยเพราะการกระทำแบบนั้นคืออธิบายว่าสร้างแต่สิ่งแปลกๆคือสิ่งน่าอัศจรรย์สร้างแต่เพื่สิ่งที่น่าพิศวงน่าชงนใจล่อให้ชาวโลกหลงงม ง, งายเพื่อที่จะให้คนเหล่านั้นได้นับถือและบูชาไม่มุ่งไปในทางอนุสศาศสั่งสอนอ น, น, นอนุสาสก็คือตามพร่สอนอธิศีอธิจิต อ, อธิปัญญาเพื่อให้ละ อกุศลเพื่อเจริญกุศลและเพื่อเพิ่มพูนปัญญาเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นอะไรเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยคนก็จะเก็บฝุนเที่ยวเก็บฟุลที่วอะไรนะคือไม่ได้ทําอะไรหรอกประชาชนมัวแต่แห่แหนแล้วก็อ้อนวอนขอให้พระอ ง, งคอ์เสกอนนั้นให้ทีขอพระองค์เนรมิตอันนั้นให้ทีเนี่ยนะปรองมาช่วยทําอันนี้ให้ทีก็กลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นอะไรคือเป็นที่ตั้งแห่งผู้อดอยากหวยหิวทางวิญญาณทั้งหลายไปขออยู่นั่นแหละ ขอโน่นขอนี่พระองค์ช่วยเสกอันนั้นให้ทีช่วยเนรมิตอันนี้ให้ทีซึ่งเรื่องนี้มีตัวอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยน ะ, ะพระปินโดละพระารัตวะชะเนี่ยนะไปเหาะเข้าไปเหาะให้ประชาชนดูทีนี้พอประชาชนที่ได้ที่ไม่ได้ดูก็มาขอดูค่ะนี่นานาช่วยช่วยแสดงให้ดูหน่อยว่าทํายังไงบ้างอะไรบ้างซึ่งท่านก็ต้องแสดงนะเพราะแล้ประชาชนติดตามมาปกติเนี่ยท่านเดินกลับวัดท่านก็นมากับพระด้วยกันใช่ วันนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยแห่แหนมากันเยอะมากมายเลยนะพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเอ่อทำไมเสียงมันดังระงมอย่างนั้นเหมือนชาวประมงแย่งปลาเนี่ยท่านระปินโดระพราธารัวาชาไปหอเอาบาดเนี่ ย, ยประชาชนมาขอร้องให้ท่านแสดงฤทธิ์ให้ดูเนี่ยตั้งอันนั้นมาถึงมันตอนนี้ เสร็แล้วพระ อ, องค์ก็เลยตำหนิมากนะตำหนิเหมือนอย่างว่าสตรีที่ต้องการให้ผู้อื่นรักถึงกับเปลื้องผ้าให้เขาดูนะตำหนิมากขนาดนั้นแล้วก็พระ อ, องค์ก็บัญญัติพระวินยัยห้ามแสดงวิกุปภนาฤทธิตการเนรมิตร่างกายหาะเหนินเดินอากาศในลักษณะนั้นเนี่ยนะไม่ให้ทําเว้นไว้แต่อธิษฐานนริศทําได้แต่วิกุปภนาฤทธิ์การเนรมิตเป็นต้นพระ อ, องค์ก็ไม่ไม่อนุญาตพระ อ, องค์ก็เลยบัญญัติพระวินัยขึ้นนะว่าพระพิโสแสดงวิกุปภนาฤทธิตเนี่ยเป็นอบาบัติทุกกฎ พันธ์ก็จริงว่าเมื่อถ้ามีการแสดงฤทธิ์เมื่อไหรเนี่ยนะคนก็จะติดตามคอยแฮแหนอย่างมีครั้งหนึ่งพระภาษาคตะเนี่ยนะแสดงฤทธิ์เนี่ยนะโอ้ยเขาประชาชนเนี่ยตามดูแต่ภาษาคตะเท่านั้นเลยไม่สนใจที่จะฟังเทศฟังธรรมอะไรเลยสักอย่างจนพระพุทธเจ้าเออภาษาคตะไปกราบพระพุทธเจ้าไปอะไรแล้วประชาชนจึงยอมฟังธรรม พันธ์การที่มีผู้แสดงฤทธิ์มีอะไรเป็นต้นไม่ได้ช่วยให้อธิศินเจริญขึ้นอะไรเลยไม่ได้ทําให้อธิจิต อ, อธิปัญญาเจริญขึ้นอะไรเลยไม่ได้เป็นไปเพื่อกําหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคเจริญสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเลยเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเห็นข้อที่น่าตําหนิมากกว่าพระองค์จึงไม่แสดงอิทธิปาฏิหาริย์โดยมากพระพุทธเจ้าเป็นผู้มากด้วยอนุสาสนีปาฏิหาริย์และสันเสริญในเรื่องของ อนุศาสนีปาติหารเพราะว่าอนุศาสนีปาติหารการพร่ำสอนศิษขาสามนั่นเป็นไปเพื่อเพื่อกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งเจริญอารยมรรคเพราะถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำใจริษณนะ์ศาสนาหมดไปนานแล้วหมดไปตั้งแต่พระองค์ปรินิพานศาสนาก็หมดแล้วแต่เนื่องจากว่าพระองค์นี้พร่ำสอนโอวาทอนุศาสนีปาติหารประชาชนทั้งหลายก็เลย มุ่งที่จะละอกุศลเพื่อที่จะเจริญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะพระศาสนาจึงนำรงอยู่จวบจนปัจจุบันสมมุติถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเนรมิตเจดีย์ JD ขึ้นมาเองสำหรับบรรจุพระธาตุของพระองค์เบ็ดเสร็จหมดเลยเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์จะได้สร้างเจดีย์ไหมนอะาจารย์เกตอดบุรณะเนยนะายท่านก็อดบุรณะเจดีย์เป็นต้นแน่นอนถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเนรมิตพระคันตกุตีชันเยี่ยมหมดเลยนะ อดยังไงก็อดสะอนะ